ได้ทำกันมาให้ตลอด ท, ที่วัดป่าที่ชิคกโก้เราก็วัดปฏิบัติก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในที่ชิคาโกที่เรามาเที่ยวนี้เราก็ได้สังเกตเห็นในหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนขึ้นนะวัดพุดทธธรรมกับวัดปริยัตเจ้าสํานักเจ้าสถานที่ก็จะพูดถึงเรื่อง มาจากสุนโมก็จะเน้นเรื่องปริยัติวัดปาชิกาโกของเราก็เน้นปฏิบัตินี่แล้วก็วัดธรรมรามก็จะเร่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งแล้วก็ชาวชีกาโก้ก็โชคดีที่เรามีทางเลือกที่จะไปคนไหนต้องการเรียนรู้ปริยัตทางด้านแบบตำราก็ไปวัดพุทธธรรมคนไหนต้องการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องปฏิบัติก็มาวัดป่าชิคาโก คนไหนต้องการเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลีอตองวิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับสังคมก็ไปวัดธรรมรามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละวัดจะมีสิ่งเดียวแต่ก็มีสามสิ่งอยูาภายในวัดแต่ถ้าหากว่าวัดไหนที่เปอร์เซ็นต์นั้นสูงกว่าก็ถือว่านั้นเป็นหลักเช่นวัด ป่าชิคาโกเป็นวัดปฏิบัติแต่เราก็มีเรื่องศิลปวัฒนธรรมอยู่ในเปอร์เซนที่ต่ำกว่าสมมุติว่ า, าให้ความสาคัญแก่การปฏิบัติ 70% รซศิลปวัฒนธรรมก็จะ 20% ประิยัตเพื่อกันเร้รู้ตลลามําราก็อีกส0เอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าสัดส่วนทางด้านปริยัตปฏิบัติมากกว่าก็ถือเป็นวัดปฏิบัติทางวัดพุทธธรรม หนึงวัดปริยัติก็มาวำความจ ะ, จะปริยัตทั้งหมดแต่ปริยัตเจ็ดสิบเปอร์ซนตปริบัตยี่สิบเซศิละปะวัฒนธรรมซะสิปอร์เซ็นต่นี้ในวัฒธรรมรามจะว่าเป็นศิละปะวัฒนธรรมร้อยปซก็ไม่ใช่แต่มีศิละปะวัฒนธรรมเจ็ดสิบเป็นป็นริยัตจะย่สิบเเนเป็นปฏิบัตจะสิเปอร์เซนต์ น, นี่อัตส่วนแต่เราก็ถือว่าตัวไหนเป็นเมนก็ถือว่าตนั้นเป็นเอกลักษณ์ของวัดอันนี้ที่ได้สังเกตเห็น นะแต่ในวัดป่า ท, ที่ลาสเวกัสทั้งสามอย่างมีสัดส่วนกลับกันศิลปวัฒนธรรมเส้าอร์ซปฏิบัติ 30% ปรริยัติเ0ีย่อเนอ่ยนะอันนี้ก็คือบางวัดก็มีทั้งสามอย่างในอัตรา ส, ส่วนที่เท่าใกล้เคียงกันซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกของญาติโยมทางอเมริกาที่ว่าเราต้องการ เน้นทางไหนต้องการรู้เรื่องใดเราก็เลือกได้แต่ว่าก็ค่อนข้างจํากัดแต่หากในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเป็นวัดปฏิบัติก็คือปฏิบัติแปดสก้าปร์เซต์ระยัดมีนิดหน่อยศิลปะวินธรรมมีนิดหน่อยแต่ว่าไหนที่เป็นเน้นเรื่องศิลปะวินาทรรีมันเกือบเก้าบเปเหมือนกันปฏิบัติดีหน่อยประยัดนิดหน่อยนะวัดไหนที่เป็นประยัดก็เรียกว่า เน้นหนักไปนั้นอันนี้คือมีข้อมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่ากันดัง น, นั้นคนที่มาวัดป่าเราที่นิยมการปฏิบัติก็ก็มาทางนี้ น, นี่เรามีทางเลือกแต่ถามว่าผลดีระหว่างทั้งสามลักษณะศิลปาวัฒนธรรมปริยัดปฏิบัตินี่อันไหนจะนาไปสู่ปฏิเวทได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่านะก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสามลักษณะนี้ ถ้าหากว่ามุ่งเน้นไปที่ตัวสมาธิิเหมือนกันก็ถือว่าก็สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้คือความเข้าใจถูกต้องถึงแม้ศิลปะพุทธธรรมก็มีสมาธิอยู่ปริยัติล้วนก็มีสมาธิอยู่ปฏิบัติก็มีสมาธิอยู่แต่ทีนี้ว่าในแต่ละลักษณะก็จะมีอัตราแห่งสมาธิและวิชาธิฐิแตกต่างกันไป อันไหนที่ปฏิบัติได้ถูกมากกว่าก็สมาธิถี่มากกว่าอันไหนปฏิบัติได้ถูกน้อยกว่าก็สมาธิถี่ก็น้อยลงไปตามสัดส่วนเหมือนกันเพราะนั้นในพุทธศาสนานี่เราว่าตามเนื้อแห่งกรรมที่เป็นจริงไม่ได้ว่าตามค่านิยมที่เป็นตราประทับนะแต่ตามเนื้อแท้ที่เป็นจริงปรากฏของกรรมละเอียดกว่าการมุมมองของมนุษย์นะ เพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าคนบางคนทําชั่วมาเยอะมนุษย์เราก็อยากจะให้เขามีอันเป็นไปเสวยวัจะได้ไม่ต้องรบกวนเพื่อนมนด้วยกันแต่ทําไมเขามีอันต้องอยู่นานกว่าจะตายที่เรามองเขาว่าทําไม่ดีเนี่ยในส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีดีอยู่ก็ได้ฮะแต่บางคนทําดีดีนะเป็นคนดีอะไรก็ดีหมดหทําไมตายไว แ่คนก็ชักนางเละเราก็ไม่รู้เหมือนกันในสิ่งที่เขาทําดีะทําชั่วเราก็ไม่รู้มุมนั้นเขาอันนั้นชั่วเขาก็มีอยู่อันนี้คือความซับซ้อนเราจะเอาความคิดของเราไปตัดสินกดแห่งกรรมนะั้นไม่ได้เพราะกดแห่งกรรมละเอียดกว่าเรากว่าเราคิดละเอียดมากกว่าเราคิดดังนั้นเราอย่าไปตัดสินคนนั้นคนนี้ว่า อ, อคนนั้นดีคนนี้ชั่วทันทีไม่ได้เราก็ดู นะ เ, เรื่องนี้เราก็ศึกษาให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิธีการภาวนาจะทำให้เราเข้าใจเรื่องสมาธิ์ทิฐิเป้าหมายสูงสุดในส่วนหนึ่งนสมาธิทิฐิจะนำไปสู่การสิ้นทุกข์นันเองนะเพราะนั้นเบื้องต้นที่สุดเราได้สมาธิทิฐิเหมือนก็ได้ดวงตาได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองแต่เรายังไม่ได้ความคิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้อง กระบวนการทั้งหมดของชีวิตก็จะไม่ถูกต้องไปด้วยถ้าเราได้ความคิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องกระบวนการชีวิตก็ถูกต้องไปด้วยท่านจึงเปรียบเสมือนป็นตากดวงตาที่ที่ดวงตากับแสงสว่างนี้สัมพันธ์กันด้วยนะไม่ใช่มีดวงตาแต่แสงสว่างไม่มีดวงตาก็ไม่สําเร็จประโยชน์เท่าที่ควรหรือมีแสงสว่างแต่ไม่มีดวงตาหรือดวงตาไม่ดีแสงสว่างก็ไม่สําเร็จประโยชน์เท่าที่ควร นะเรามีความเข้าใจความคิดเห็นถูกต้องอันนี้เป็นดวงตาแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นก็คือตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวเนี้ยเป็นตัวแสงสว่างแต่ปัญญาเป็นตัวดังดวงตาแต่สมาธินี่เป็นความ เที่ยงของแสงสว่างและดวงตาที่ต้องสัมพันธ์กันเมื่อทีแสงสว่างไม่เที่ยงเนยเช่นเราไปในที่มืดเลยจุดตะเกียงจุดเทียนไขหรือจุดใต้อะไรต่างๆซึ่งมันแสงสว่างไม่เที่ยงกาไปโดนลมโดนฝนโดนอะไรพัดก็ดับตาเราก็มืดต่อหรือบางทีแสงสว่างมันคงที่แต่ตาเราไม่เที่ยง ตาเราฟ้าฟางบ้างมัวบ้างสว่างว้างไม่สว่างบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวสมาธิเป็นตัวปรับความคงที่ของทั้งแสงสว่างและทั้งดวงตาตัวปัญญาเป็นดวงตาตัวสัมปชัญญะและสตินั้นเป็นแสงสว่างเพราะนั้นเราจึงเลริญสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งเพื่อให้แสงสว่างและในขณะเดียวกันเราก็เลริญปัญญาไปด้วยเพือดอพิจารณาในสิ่งที่เราปฏิบัติ ขณะที่เราปฏิบัตินี่เราเข้าใจอะไรถูกต้องไหมในตัวเราอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้เกิดปัญญาเพราะเนื่องสติสัมยาส ม, มาธิปัญญาก็จึงทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งสอย่างฉะนั้นเราปฏิบัติกรรมาฐานทาาว่าประกอบด้วยหลักสี่ประการนี้ก็ถือว่าเป็นส ม, มาธิทีเป็นองค์ประกอบของส ม, มาธิทิได้ละ แต่ถ้าหากว่าองค์ทั้งสี่ประการในสติสั่สมาธิปัญญาไม่ชัดเจนตัเสร็จสมาธิที่ของเราก็ยังไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์นะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจสอบในการปฏิบัติของเราเองด้วยนะนีถ้าหากว่าเราได้ความรู้ความเข้าใจถูกต้องการใช้ชีวิตก็ถูกต้องธรามาหากินการพูดการจาการพยายามตั้งจิตตั้งใจต่างๆมันก็ถูกไปหมด อันนี้องค์มากก็ครบดวนั้นดู น, นั้นเองก็เมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วก็มุ่งทำหลักสี่ประการเนี่ยให้ชัดขึ้นเรื่อยๆสติสมยะก็โดยาการตระหนักรู้ ก, รกายใจของเราที่มันปรากฏตัวตลอดเวลาการปรากฏตัวของ <c oughs> ชีวิตจิตใจของเรานี้ก็มีตัวกายตัวเวทนาตัวจิตตัวอารมณ์ปรากฏตัวตลอดเวลาที่เราจะแปลงกายเวทนาจิตอารมณ์ของเราเนี่ยให้มันเป็นที่ตั้งของสติสัมยาได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องการฝึกฝนนะการฝึกฝนการฝึกฝนนี้ก็มาหลายรูปแบบอีกรูปแบบทำกําหนดลมหายใจหลายๆรูปแบบลมหายใจแบบหน้อลมหายใจแบบพุทโธลมหายใจแบบ สมราระหังลมหายใจแบบนับลมหายใจบริกรรมแล้วก็อันนี้ก็รูปแบบหนึ่งทําให้เกิดตรักรูก้อันที่สองก็ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนกระแต่หัวจุดเท้าที่มันเคลื่อนไหวก็เอาตัวนั้นเป็นตัวที่ตั้งการตระนักรูก้เพราะนั้นวิธีการมีต่างๆหลากหลายแต่ว่าเป้าหมายเพื่อให้สติสมญะ สว่างสวยและมีปัญญาที่ชัดเจนมีสมาธิมันคงได้อย่างไรแค่นั้นเองเพื่อทำทำทำสี่ประการนั้นให้ทํางานสัมพันธ์กันจะด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ขอให้ทำสี่ประการนั้นสัมพันธ์กันแต่ถ้าหาวิธีใดก็ตามทําให้สติสัมยะสมาธิปัญญาทํางานไม่สัมพันธ์ไม่สอดคล้องกันก็ถือว่าวิธีนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้คือที่เราได้พิสูจน์ได้ ทำกันมามันได้คำตอบออกมาอย่างนั้นนั่นเองการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำเอา <c oughs> สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยสติสัมยาสมาธิปัญญาไปใช้ได้เป็นสมากรมมตะสมมาวิจารสม า, าชีวะเป็นใช้วเวลาเอาไปใช้ในะใช้แง่ของศิลป์หรือศิละปะในการใช้ชีวิตนั่นเอง ศิลปะในการพูดศิลปะในการทําศิลปะในการใช้ชีวิตเรียกว่าศิลป์นะแต่ในส่วนที่ศิลปะในจุดนี้มันจะมีะความถูกต้องชัดเจนแม่นยําแค่ไหนก็ต้องอาศัยตัวสมาวายามะสมาสติสมาสติเข้าไปช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตนะแล้วตัว ปัญญาก็คือตัวความคิดความเห็นความเข้าใจอะไรต่างๆได้เร็วได้ถูกต้องได้แม่นยําเอามาต้องมีก่อนนดวงตาต้องเกิดก่อนแล้วเราจะไปเปิดไฟที่ไหนถ้าไม่มีดวงตากแม้แต่ไฟก็ยังเปิดไม่ถูกเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเจริญกรรมฐานหมนตไหนถ้าเราไม่เข้าใจไม่ถูกอเข้าใจไม่ถูกคิดไม่ถูกเนี่ยถึงเจริญกรรมฐานอยู่ก็ไปไม่ถูกอืม เหมือนเรามีไฟแต่ขาดดวงตาหรือมีดวงตาแต่ขาดไฟนี่ยก็สัมพันธ์กันนะเะ น, นั่นเองก็การภาวนาก็จึงประกอบโดยสองลักษณะที่เป็นปริยัตและปฏิบัติปริยัตเพื่อการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องไม่หลงทางเหมือน GPS สมัยก่อนเราอาจจะใช้แผนที่ต้งแผนที่และ GPS ไม่จำเป็นถ้ามีผู้ รู้จริงหรือผู้รู้ทางมานำเราเราก็นั่งรถไปอย่างสบายไม่ต้องลังเลมันเมื่อกี้ออกจากบ้านยมคนป่วยแล้วเอหลวงพ่อสังเกตเห็น GPS มันไม่ทำงานเออทำไมไม่ตั้ง GPS นะีเอสะเพราแถวนี้ยมอุ่นอุ้มคุ้นทางเราไม่ต้องใช้ก็ได้หลวงพ่อเห็นไหถ้าผู้รู้ทางจริงแถวนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ GPS ีอีกก็ได้ไม่ต้องใช้แผนที่ไม่ต้องใช้ดําลาเลยถ้าผู้รู้จริงนาเรา คนมือรู้ทางจริงแล้วก็ไม่ต้องใช้ gps ไม่ต้องใช้แผนที่ขับรถไปเพราะว่าคุ้นทางแล้วผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติคือผู้คุ้นทางแล้วเดินมาทางสายนั้นจนชํานาญแล้วก็พาเราปฏิบัติก็ไม่หลงทางเราก็นั่งรถอย่างสบายไม่ต้องกังวลว่าจะไปถึงวัดหรือไม่เพราะว่ามีผู้นําทางที่ถูกแล้วนะเพราะนั้นเรื่องนี้ รูปธรรมเป็นฉันใดนามาทำก็เป็นฉันนั้นไม่แตกต่างกันรูปธรรมนำธรรมเพราะฉะนั้นผู้ดได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นรูปธรรมนำธรรมสัมพันธ์กันนั่นเองได้ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะไม่ใช่ว่าต้องรอพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เมื่อสติสมิญญาสมาธิปัญญาทำงานสอดคล้องกันดวงตาธรรมก็เกิดเมื่อดวงตา ตาทำเกิดแล้วธรรมะทุกอย่างก็เกิดตามหมดเหมือนกับเราเปิดตาขึ้นมีแสงสว่างแล้วก็มองเห็นทุกอย่างแล้วแต่จะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่จะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของเราแหละทีเนี้พระพุทธเจ้าจะพบท่านหรือไม่พบท่านเราก็ไปหาท่านได้ท่านบอกพุทธเจ้าทึงบอกผูได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่ยผู้ใดเห็นเราผูได้เห็นธรรมแต่เห็นธรรมในที่นั้นถ้ามบงว่าเห็นปฏิจจสมบาต ผู้ใดเห็นปฏิสุบัติผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมวันนั้นปฏิสุบัติคือเห็นเหตุเกิดทุกข์นั่นเองเห็นธรรมว่าความทุกข์และปัญหามันเกิดมาจากไหนเดี๋ยวแก้ไขไปตามนั้นอย่างอื่นถ้าแก้ไขเหตุแห่งทุกข์เป็นทั้งสามอย่างองค์มรรคทั้งองค์อริยสัจสามอย่างก็ทําหน้าที่ของมันเองไงแต่ถ้าเราไม่เห็นเหตุของทุกข์ละองค์ อริสยสตรทั้งสมอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรามุ่งปฏิบัติเพื่อให้เห็นเหตุของทุกข์มาจากไหนบ้างแก้ที่เหตุมันผลเนี่ไปแก้ไม่ได้ลผลเนี่ยไปแก้ปลายเหตุยิ่งแก้ก็ยิ่งเกิดยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแก้ปัญหาปลายเหตุแก้ปัญหาต้นเหตุทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องทางโลกทางธรรมแก้ที่ต้นเหตุมันง่ายแก้ดเดริะ อันนี้ก็มืพระพุทธเจ้าท่านให้ไปหาต้นหาเหตุของปัญหาให้เจอหาต้นหาเหตุความทุกข์ให้เจอแล้วก็ดับมันตรงนั้นปัญหามันก็จบนะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของอความเข้าใจหลักปฏิบัติมันจํำเป็นเพราะมันไปเสมือนผู้นำทางของเราเอง น, นี่ในวิธีการที่เราปฏิบัติถ้าหากว่าเกิดสมาธิิแล้วนี่วิธีไหนก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเรามีชีพจะยี่นะยี่ห้อไหนก็ได้นำเราไปถูกทางได้คือคนขับรถที่รู้ทางแล้วคนไหนก็ได้มาบอกเราแต่รถนั้นเป็นรถที่ มีความพร้อมจะลดชื่อห้อไหนคันไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะจะขอให้เราเข้าใจหลักของมันว่าเกิดความเข้าใจถูกต้องไหมพุทธิยถาท่านตรัสรับรองเอาไว้ว่าสมาติทิสมา ธ, ธ, มาธานาสปะทุขาวป็ะเจ้าคุงว่าเมื่อเราได้ดวงตาได้ความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วนี่จะพ้นจากทุกทั้งปวงได้แต่ในมรรคตัวอื่นอีกเจ็ดตัว แปดเก้าตัวนี้ท่านไม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้นะท่านตรัสในตัวเดียวคือสมาธิทิแต่ไม่ว่าสมาสกปะสมาธนาหรือสมากรรมตาสมาสติสมาธมีสมาธนาไหมเอาสมาธิทิอย่างเดียวสมาธิทิสมาธนาสัพพทุขาปเจคุงเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนี่ก็พ้นจากทุกปัญหาได้ทั้งหมดนะมรรคอื่นท่านไม่ได้พูดถึง หมายควตัวนี้สำคัญถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวตุวตวนอื่นเข้าใจหมดนั่นหมายความว่าถ้า ม, มีดวงตาอย่างเดียวคุณจะไปไหนก็ได้ไปทางไหนไปเส้นไหนไปทําอะไรก็ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสมาธิเหมือนก็ว่ารู้จักมีรู้จั ก, จกทางรู้จักวิธีการส่วนสมาสังกปะรู้จักว่าจะทําอย่างไรให้มันดีให้มันถูก ให้มันสำเร็จประกอบกันสองอย่างรู้แล้วยังไม่พอต้องรู้วิธีการด้วยอันนี้เขาเรียกว่าองค์ของมักก็ได้แก่ัวสมถะและวิปัสสนาตัวสมถะคือรูอ้เรื่องของจิตแต่วิปัสสนารู้ใช้รู้วิธีใช้จิตว่าจะใช้อย่างไรให้มันถูกมันตรงมันต้องมันไม่ทุกข์่ะ ไม่สมรรถวิพัฒนาก็สัมพันธ์กันไปแต่สมรถรมีสองลักษณะสมรรถที่มันนำจิตไปไว้นอกตัวเช่นเราไปเพ่งนิมิตสีแสงอะไรต่างๆถือเป็นนิมิตในตัวก็ตามก็ถือเป็นเรื่องนอกตัวอยู่เพราะเป็นเรื่องของรูปแต่สมถะที่นำจิตมาไว้ในตัว อเอาสิ่งที่เกิดในตัวนี่แหละไม่ต้องสร้างจากจิตเกิดจากกายเวทนาเช่นความเจ็บความปวดความคันความเมื่อยเอกมาเป็นที่ตั้งของการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้อย่างไรแต่ถ้าเราจะไปพิจารณานี่ผมคนเล็บฟันหนังยกเอาผลขนเล็ น, น, นังมาพิจารณาก็ยังได้สร้างจินตนาการให้เห็นผมคนเล็บอยู่ อันนั้นก็เป็นสมถะแต่ไม่ใช่โดยตรงแต่ถ้าโดยตรงก็คือเอาอาการท่านบอกว่าทวัดดิงส า, า, าอาการอาการสามสิบสองนะเอาอาการของมันไม่ใช่เอาตัวของมันเมือนเรา ก, กินอาหารเนี่ยอารถของมันอพี่เคือบเกือบปลารากุ้งปูปลาผักอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ เอาตัวมันมาปนกันแล้วก็เอารสชาติของมันอ่าไอ้สิ่งที่ตัวของมันแล้ก็ทิ้งไปเนี่ยรสชาติของมันต่างหากที่เปบเปรยบุงเลี้ยงร่างกายแต่ตัวมันก็ถายทิ้งออกไปล่ะฉันใดก็ดี <c oughs> เราพิจารณาการสามสิบสองก่นเอาอาการเขาเรียกว่าทวัติงสาอาการอาการสาสองให้พิจารณาอาการของมันอาการสาสองคืออะไรเนี่ยอาการของมันก็มีสองสาอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป การเกิดขึ้นดังกูดาไปเป็นสามอาการดูลึกๆแล้วก็เหลือแค่สองอาการคือการรู้สึกสบายไม่สบายนะเท่านัรู้สึกสบายเช่นการโปดขาเนี่อรู้สึกไม่สบายมันเกิดขึ้นแล้วพอมันยกขยับวับความไม่สบายหายไปมันก็ดับไปเนี่ยแล้วดูอาการหนักอาการเบาอาการเกิดอาการดับอาการสบายไม่สบายเราเนี้ยดูแค่สองอย่างเนี่ยคูู่กันไป เรียกว่าเป็นสมถะแบบวิปัสนาแค่เห็นอาการไม่ได้เห็นตัวเที่เรจินตนาการขึ้นมาเอาดินมาเพ่งเอาลมมาเพ่งเอาไฟมาเพ่งเอาน้ํามาเพ่งอย่างนี้ก็เรียกเป็นสมถะนอกตัวหรือเอาแก้วเอานิมิตรูปนั้นรูปนี้มาเพ่งก็เป็นสมถะนอกตัวไม่ใช่เป็นสมถะที่เ อ, อื้อต่อวิปัสนาแต่สมถะที่เ อ, อื้อต่อวิปัสนาเอาอาการของรูป ไม่ใช่เอาตัวรูปมาพิจารณาแต่อ า, อาการของรูปที่ปรากฏจริงในขณะนี้ในตัวของเราที่ปรากฏจริงอะไรคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไว้เจ็บปวดเอาอาการตัวนั้นไม่ใช่เอาผมขนเล็บฝันหนังมาพิจารณาทีใดอยา่างอันนั้นเป็นสมถรนอกตัวมันจะอยู่ในตัวขก็จริงแต่ว่ามันได้จินตนาการขึ้นมาแต่ตัวอาการที่ปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงในร่างกายไม่ต้องจินตนาการสัมผัสได้เลยอันนี้เรียกว่าเอาตัวปรมัตดเป็น ที่ตั้งเอาอาการของรูปเป็นที่ตั้งสมถะที่เอื้อตัววิปัสนาคืออ า, อาการของรูปเป็นที่ตั้งแต่วิปนะัสนาเนาะเอาเอ า, เอาความรู้สึกของนามเป็นที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถูกต้องนี้เราก็ไปได้ถูกละง่ายขึ้นมันก็ไม่ใช่ของยากซับซ้อนอะไรถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะเห็นภาพเข้าใจได้ง่าย เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้มันเที่ยงมันคงที่ก็ต้องทําบ่อยๆทําเป็นภาวิตาปะหุลิกาดาหรือว่าสังวัตะติทําให้มากๆทําบ่อยๆทํานืองๆในสิ่งเหล่านั้นเราชํานาญด้านไหนก็ทําสิ่งนั้นเนืองๆทําบ่อยๆอืถ้าหากว่าชํานาญได้ใดได้หนึ่งทำบ้างไม่ทําบ้างวิธีอาจจะถูกแต่ว่าเราทําไม่ถูกเราทําไม่ต่อเนื่องอืมเหมือนเรา ขงข้าวเนี่ยอะไรก็สําเร็จเพียงแต่เอาข้าวใส่หม้อเสียบปลั๊กเนี่ยวิธีการเหมาแค่นั้นแต่ถ้าก็เกิดว่าเราน้ําใส่น้อยเกินไปหรือน้ํามากเกินไปก็ข้าวไม่สุกตามที่เราต้องการหรือน้ําข้าวพอดีเหมาะกันแต่ไฟมาบ้างดับบางติดบ้างข้าวก็ไม่สุกตามที่เราต้องการเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอายุขัด ที่ขั้นตอนในรายละเอียดทีหนึ่งที่เราก็ต้องพิจนารณาดังนั้นเองก็ในสิ่งที่นำเสนอวันนี้เป็นการได้ทั้งสองส่วนทั้งปริญติและปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจก็ขวรอุทา น, นาสาธุือความตั้งใจที่เรานำไปพืชปฏิบัติเพื่อให้เกิดอริยสัจขึ้นในใจตามความเป็นจริงด้วยกันทุกคนทุกทานเถิ